เรื่องสุ ป, ปะพุทธกุฏิอันว่าพระสัสดาเสด็จประทับอยู่ในเวลุวันสวนป่าไผ่นครราชฤกษ์แคว้นมคธของพระเจ้าพิมพิสารทรงปรารภบุุรโรคเรื้อนชื่อสุ ป, ปะพุทธคำว่ากุฏิหรือกุฏังแปลว่าโรคเรื้อนดังนั้นจึงเรียกว่าสุ ป, ปะพุทธกุฏิ ในการหนึ่งพระศาสดากำลังแสดงธรรมมิกถาสุปพุท ธ, ธากุติผู้เป็นโรคเรื้อนนั่งอยู่ท้ายสุดแห่งบริษัทฟังธรรมของพระศาสดาแล้วบรรลุโซดาปฏิพลหลังจากมหาชนกลับไปแล้วคิดว่าจะไปเฝ้าพระศาสดาขณะกำลังจะไปนั้นเท้าสักกะเทวราชารทรงทราบปรารถนาทดลองใจสุปาพุทธะกล่าวว่า ท่านเป็นคนเขียนใจเราจึงให้ทรัพบหาประมาณค่าไม่ได้ขอเพียงสุปาพุทธะพูดคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือขอเพียงแค่กล่าวตู่พระรัตนตรัยเท่านั้นก็จะให้ทรัพย์เป็นอันมากสุปาพุทธะกล่าวว่าท่านเป็นคนพาลท่านไม่สมควรพูดกับเราว่าเราเป็นคนเขียนใจเราไม่ใช่คนเขียนใจแต่เรามีอริยทรัพย์ทั้งเจ็ เรามีทรัพย์มากทซั์เหล่านี้ของเราก็คือศรัทธานังศรัทธาคือทรัพย์สีลนังศีลคือทรัพย์ฮิริความละอายบาปคือทรัพย์โอตตปะความเกรงกลัวบาปคือทซั์สุตตะคือทซั์จาคะคือทซั์ปัญญาคือทรัพบอเรียทรัพย์ทั้งเจ็ดมีแก่ผู้ใดจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าบุคคลผู้นั้นไม่ขัดสน หลังจากนั้นท้าวสักกะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามถึงถ้อยคำที่สุปาพุทธกล่าวพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าไม่มีผู้ใดจังอาจได้สุปาพุทธพูดว่าพระพุทธไม่ใช่พระพุทธเป็นต้นนั้นได้เลยสุปาพุทธเมื่อได้เข้าเฝ้ า, ร, าร่าเริงแล้วกราบทูลพระศ ส, สดาแล้วลูกหลีกไปแล้วถูกโคแม่ลูกอ่อนควิดตาย ได้ยินว่าบุรภากรรมในอดีตโคแม่ลูกอ่อนนั้นเป็นยักษณีตนหนึ่งแปลงเป็นแม่โคลงชนทั้งสีน่นี้คือปุกุสาติพาหิยะทารุจิริยะตามพัทธิกะและสุปปัพุท ธ, ธะได้ปร่งชนทั้งสี่นี้จากชีวิตคนละร้อยอัตภาพด้วยผลกรรมในอดีตชนเหล่านั้นเป็นบุตรเศรษฐีทั้งสี่คนนาหญิงแพศยสาโสเพณีคนหนึ่งไปสู่สวน สวยสมบัติคือร่วมอภิรม์ตลอดวันแล้วตกเวลาเย็นได้ฆ่าหญิงนั้นและเอาทรัพย์สมบัติของนางไปหญิงนั้นอธิษฐานจิตด้วยโทสะมูลจิตขอเกิดเป็นญักษินีตามฆ่าชนทั้งสี่นั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสุปาพุทธะไปบังเกิดในที่ใดทรงตรัสว่าสุปาพุทธะได้โสดาบัน ไปบังเกิดในภพดาวดึงสาเหตุที่เป็นโรคเรื้อนเพราวิบากการมชาติหนึ่งเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อพระตัคขราสิกขีปัจเจกพุทธเจ้าทมน้ำลายแล้วหลีกไปทางซ้ายข้อนี้คือธรรมดาบัณฑิตเมื่อเห็นพุทธบุคคลหรือภิกษุย่อมหลีกไปทางขวาแต่ที่หลีกไปทางซ้ายเพราะไม่ทำความเคารพ เขานั่นไหม่แล้วในนรกตลอดการแสนนานโดยวิบากที่เหลือถึงความเป็นคนมีโรคเรื้อนในบัดนี้ทรงตรัสพระคาถาว่าชน่านทั้งหลายมีปัญญาสามมีตนเป็นดังฆาสึกเที่ยวทำกรรมลามกซึ่งมีผลเผ็ดร้อนอยู่เมื่อจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละวิเคราะห์ข้อธรรมวิจัยอันว่าเจ้ากรรมในเวร น, นั้นภาษาบาลีใช้คำว่าเวรีนังแปลว่าคนคู่เวรเรื่องนี้ได้แก่หญิงแพทยสยาโสเพณีที่ถูกฆ่าและอาฆาตด้วยโทสะเจตสิกมาเกิดเป็นยักษินีแปลงเป็นโคแม่ลูกอ่อนขวิด ต, ตาย เพราะกรรมปณนาิบาที่ได้ทำไว้แต่ด้วยผลบุญที่ได้บรรลุโสดาบันได้ไปบังเกิดบนเทวโลกเพราะว่าพระอริยเจ้าชั้นโสดาบันปิดอบายภูมิได้ไม่ไปเกิดในกายยาบในอบายภูมิทั้งสี่ได้อีกมีบางคนเข้าใจว่าทำกรรมอะไรไว้ใครจะจำอะไรใครได้เมื่อมาเกิดชาติใหม่แล้วต่างคนต่างทำกรรมกันไปใครจะจาใครได้ เช่นข่าไก่ไก่ตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้จะจำอะไรได้ดังนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่พูดเช่นนี้เพราะไม่เข้าใจเรื่องของกรรมในพระสูตรนี้ในเรื่องนี้บุตรเศรษฐีได้ถูกโคควิดตายทั้งสี่คนต่างก็ได้บรรลุธรรมไปแล้วและได้ดวงตาเห็นธรรมคือท่านพาหิยะบรรลุอรหัตฉัพลันปุกุสาติตามพาธาติกะและสุ ป, ปะพุทธะ ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันเข้าสู่กระแสพระนิพพานไปเกิดในดาวดึงส่วนนายตามพัาธิกะโจรเกล้าแดงผู้เพชฌฆาตข่านักโทษได้ไปเกิดบนดุสิตเทวโลกด้วยได้ถวายทานพระสารีบุตรเทระที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติได้ฟังธรรมและบรรลุโสดาบันแต่และคนต่างก็มีกรรมเป็นของตัวและเรื่องทานองเดียวกันนี้ ยังมีอีกหลายพระสูตรที่เจ้ากรรมนายเวรมาทวงเอาคืนฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาพระสูตรก็จะไม่รู้การศึกษาพระอภิธรรมนั้นดีเช่นนักวิปัสสนาาจารย์บางท่านถ้าไม่ศึกษาพระสูตรด้วยก็จะไม่รู้ละเอียดลึกซึ้งก็จะนำเอาไปพูดสอนแสดงความคิดเห็นที่เป็นมิจฉาทิฐิได้ดังนั้นจึงควรอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเขาให้มากๆเขาจะอโหสิกรรมให้หรือไม่ ไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่อุทิศบุญให้เท่านั้น